เห็นหมามันหวานนะมีเปล่งวิ่งมานเนี่ยตัวใหญ่มากมาชาวบ้านเขามาในวัดนี่วิ่งไปว่าจะกัดนะสองตัวเออเปมันนั่งลงเรียบร้อยตัวนั้นนะพวกนี้ก็เลยไม่กล้ากัดนั่งลงเรียบร้อยหมอบดูเห ม, มือนว่า ม, มันมีสัมมาคารว ะ, ะคือมันสู้เหมือนกันกนะิริยาอาการว่าสู้แต่อาศัยความ สงบสยบความเคลื่อนไหวอาศัยความอ่อนน้อมต่อกรกับโทสะคือทำยังไงเนะไอ้ที่โทสะมันวิ่งมาบื้มาเนี่ยมันจะกลายเป็นดอกไม้คือหมาพวกนี้วิ่งเข้าไปก็กลับไปเออไปดมด ม, ด, มดูเลียเยดูก็คือจบแต่เชื่อนะถ้าหมาบางตัวถ้ามันอาปากขึ้นมันต่อต้านมันก็ว่ากูล่ละเนี่ยจะเกิดการเจ็บตัวทั้งสองฝ่าย แต่นี้มันก็นั่งลงตัวมันใหญ่จริงอะแต่มันก็นั่งลงลอยสักพักพวกนี้ก็กลับมามั่ก็วิ่งตามเจ้าของมันไปคือมันมีวิธีการต่อสู้ดีแล้วมันก็ไม่พยาบาทไม่เจ็บไม่อะไรนําเป็นมันก็เป็นแล้วสังเกตดูคนไหนก็ตามถ้ามีความแข็งเนี่ยส่วนมากจะเจ็บตัว เพราะอะไรเพราะว่าเราเริ่มสร้างความเป็นอัตตาขึ้นมาเป็นตัวเพราะมีตัวจริงจริงมันเป็นอนัตตานะเพราะอะไรกระทบกูรู้สึกว่าเจ็บมันเกิดการเจ็บเพราะมันมีตัวตนเป็นไวแต่ว่าเราจะปฏิบัติและสลายความเป็นตัวตนไม่มันมีตัวปรากฏขึ้นกับจิตเราอืไม่คิดว่ากูเป็นกูมีกูได้กูดีอะไรไประมาณนี้ยได้อ่ะ อันตัวความเป็นตัวตนเนี่ยสังจดตุหาตัเนี่ยอะไรสร้างตัวตนมันถ้ามันคิดว่ามันใหญ่มันไม่กลัวก็คือตัวโทสะเห็นไหมมันไม่มีอะไรนะมีตัวโทสะที่ขึงเอาไว้ถ้ามีความอยากได้ก็เป็นตัวโลภขึ้นมาโลภกับโมหะโทสะกับโมหะตัวโมหะเนี่ยตามติดต่อยต่อยทุกตัวไป ความหลงหลงแล้วจะสร้างรูปสร้างภาพขึ้นมาทั้งโลกนี้สร้างภาพแบบอให้คนเข้าใจว่าอะไรแบบนี้นะันะ่เขาเรียกว่าการสร้างภาพคือความจริงมันไม่มีเราจะว่าอย่า ง, งนะี้นะแต่จริงๆไอ้พวกว่าพูดว่าความจริงไม่มีจริงๆก็ไม่มีอยู่แล้วล่ะนะความจริงอย่างนั้นความจริงอย่างนี้ยิงไม่ใช่อย่างที่เขาว่ า, คว า, ค, ออ า, าความจริงก็คืออนัตตาความจริงก็คืออนิจจัง เมื่อวานถามคุยกับพวกที่จะมาสอนจิตตปัญญานะที่ราชภัฒนคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้นะต้องาการเลยเก่งถามเขาเรื่องสัมมาทิฏฐิถามเรื่องมรแปดมรแปดสัมมาทิฏฐิเนี่ยเออไม่ใช่อะ่ะเลยถามว่าทำอาชีพอะไรสัมมากรรมตะสัมมาวายามะเนะี่ย ทรรมะที่ปลายเขาว่าทํางานนั่นนะอัน น, นี้สัมมาเลยถามการงานนี้ชอบไหมที่ทําเนี่ยการมางานอันนี้เป็นสัมมากรรมตะไหมการงานเนี่ยจัดอยู่ในมรรคแปดไหมเขาจัดอยู่ในมรรคแปดเนี่ยแล้วสังเกตดูนะในเบื้องต้นเนี่ยไอตัวเข้าใจคําว่า ส ม, มาทิฏฐิในสัมมากัมมันตะนี่ก็ผิดละคือถ้าส ม, มาธิฏิสัมมาสังกปะวาจจการมันตะอาชิวะวยมสติสมาทิเนี่ยจริงๆมันเป็นบันไดนะบันไดยกระดับของความเข้าใจเราขึ้นตามลำดับถ้าได้ยินได้ฟังมาถูกต้องคืออะไรถ้าส ม, มาทิฏฐิตัวนี้ประกอบไปด้วยปัญญาไอ้ตัวต่อไปมันเป็นปัญญาประกอบอยู่ด้วยทั้งหมด เนี่ยเขาว่าเอาเป็นครูอ่างนี้เป็นอาจารย์เนี่ยสัมมาทิฏฐิมันก็จะกลับกลายเป็นว่าออืความเข้าใจในเบื้องต้นเนี่ยต้องเข้าใจว่าชีวิตนี้พัฒนาไปสู่ความเป็นมรรคผลนะไปสู่ความเป็นตัวมรรคผลเอ่ความตัวเป็นมรรคผลเนี่ยขยับลงมามันเป็นปัญญา เคยหยับรบวมตัววิมุตต์ขอมาเป็นปัญญาเป็นสมาธิเป็นสติเป็นสติคือเป็นตัวเลยลึกรู้เนาะทีก่อนที่คนจะตั้งใจเรื่องสติที่จะกําหนดรู้ได้มันต้องมีการงานธุระการงานที่มันชอบคําว่าการงานชอบเนี่ยก็คือสัมมาแปลว่าถูกแปลว่าตรงแปลว่าชอบคือมันต้องเอื้อเฟื้อต่อการเป็นมรณนะ คืองานอะไรก็ตามคาว่าสัมมาคัมมันตะเนี่ยคืองานที่ไม่ออทำให้เราคุ้นคิดติดอารมณ์มากมายเขาเรียกว่าการงานอันปราศจากโทษโทษคือยุ่งยากมีโทษต่อจิตของเราเองให้เกิดการคุ้นคิดติดอารมณ์สมมว่าเราขโมยยาเงี้ยจิตมันจะคิดอยู่เรื่อยๆ เ, เราไม่ได้วัดที่สังคมนะ ถ้าสังคมการงานชอบเขาเป็นแบบหนึ่งนะฮะทำอะไรที่มันถูกต้องตามกฎหมายนันก็ถูกแล้วแต่ทางทำเนี่ยหมายถึงงานอะไรก็ตามที่เอื้อเฟื้อต่อกันสามารถไดะลึกรู้ได้อย่างดีเนี่ยเขาบอกว่ามิจฉาวานิชาอย่าทำพาณิชย์อย่าทำค้าขายในทางที่ผิดคือฆ่าสัตว์รักทรัพย์อะไรประมาณนั้น ขายคนขายยาพิษขายอาวุธขายประมาณนี้ทำให้คิดเวลาเขาทำอะไรเนี่ยมันจะเกิดความคิดขึ้นมาเราสังเกตในเวลามีปัญหาระหว่างประเทศเนี่ยแถวอิสราเอลก็ดีแถวซีเรียแถวอะไรประมาณนี้ในคอมเนตเนี่ย เ, นเนยขาจะจ้องไปตันทีอเมริกาเป็นตัวการขายอาวุธปัญหาที่เกิดขึ้นถ้าเขาไม่ขายก็ไม่มีอะไรเนี่ย ทางเออซีเรียได้ดีอ่ะขายอาวุธโซเวียตขายให้ธรรมชาติเขมียนทางนึนออองอาวุธทั้งหลายเนี่ยมาจากจีนทั้งอิรักเนี่ยส่งเข้าไปจากจีนทีปนอาวุธทั้งหลายรถถังทั้งหลายไปจากจีนอะไรประมาณนี้เห็นไหมมันก็ก็ะูกต่อมขความรู้สึกเหมือนเรามีส่วนร่วมผิดชอบด้วยอันนั้นอันนี้เหมือนกันเวลามันเกิดปัญหาขึ้นมาก็จะเป็นที่เราอีกแลออ มันกระตุกเราอะนั่นเขาจึงบอกว่าให้ทํามาสัรรมมาทํามาหากินโดยสัมมาชีพคืออาชีพอะไรก็ได้ที่ไม่ไม่กระเทือนใจกับภาพกับพจน์เราเนี่ยเราอาจจะปลูกผักขายเราอาจจะทํางานบนโต๊ะตําแหน่งเป็นข้าราชการเป็นอะไรก็ได้แต่ว่าอย่าให้มันกระเทือนต่อความรู้สึกเราที่จะไปเป็นมรรคเนี่ยที่จะ สัมมากรมมันตะสัมมาอจาิวะสัมมาวายามะและสัมมาสติตัวเนี้ยให้มันขึ้นไปเป็นสติให้ได้ให้ะระลึกรู้งานอะไรก็ตามที่เกื้อต่อการทำความรู้สึกตัวเนี่ยนั่นเขาเรียกว่าสัมมาสติเป็นสัมมากรมมันตะคือการงานมันชอบการงานในเพียงเพื่อเรื่องกายนะแต่จริงๆงเราจะนำจิตเราไปสูงมากผลจิตเราเนี้ย ดังนั้นเจเราจึงต้องพยายามพยายามให้เอ๊ทําไงนั่นจึงจะเข้าไป ส, สู่ความรู้สึกตัวเราเดินไงมณีความรู้สึกตัวไปทําไรอย่างเงี้ยทําไร่ไถนาอยู่บ้านอยู่เรือนอะไรก็ตาทำอาจจะเย็บผักปักทักร้กอยอขายเข้าวขายของอะไรก็ทําถ้าได้มากเนี่ยจิตมันก็ฟูนะมันก็ไปเป็นสัมมาอีกนะทีเนี้ยต้องศึษา รักษาคุณภาพจิตนะให้มันเป็นสัมมาทิฏฐิให้ได้นั้นเวลามีธุรกิจการงานเยอะๆเนี่ยมันน่าสงสารนะบางทีมันแทบจะไม่เป็นสัมมาวายมะให้ตัวรู้มันไม่ตรงตัวรู้มันไม่ชอบตัวรู้มันไม่อยู่มันมีความคิดเยอะนะไม่ต้องกล่าวไปถึงว่าเออการงานที่มีโทษ ขนานการงานที่เราไม่มีโทษนะที่เราชอบสรวปลูกต้นไม้เราก็คิดถึงมนันอยู่เรื่อยๆจะบอกลูกไหมเนาอยัอยงไงเนาะมดแมงไม่กินหรื อ, อป่านนี้อย่างนั้ น, นเนี้ยเนี่ยมันไม่ใช่สัมมาแล้วมันเริ่มเสียแล้วนะเนี่ยจิตนะงั้นทำการงานอะไรลนะ่ะงานงานที่มันถูกอะไรก็ได้ที่มันไม่มีพิษมีภัยกับโลกมากแล้วก็สามารถประคองตัวรู้ได้ดีทางานอันนั้น นั่นคนปฏิบัติทำระดับหนึ่งเราสังเกตเห็นเราไม่อยากไปทํางานที่มันเป็นขี้ข่าคนอื่นเนี่ยโอ้ยสึกออกไปจะไปเป็นลูกน้องคนนั่นไปเป็นลูกน้องคนนี้ให้เขาสั่งให้ทํางานอะไรนี่มันไม่อยากเอาอะ่ะมันอยากได้สนุกกับการทํางานแต่ไม่ใช่อยากได้เงินเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี่เออเขาจ้างเยอะใครทำไม่ใช่ความขี้เกียจนะ แต่ลึกๆ ค, คือจิตมันเออมันกระเทือนใจมากมันจะไม่ค่อยเอาทำอะไรก็ได้ที่ง่ายๆชาวอีสานเราแต ก, ก่อนเข้าไปในกรุงเทพไปหาเงินเป็นอะไรก็ได้แต่ก่อนมันมันง่ายไปเป็นคนใช้เขาเป็นกรรมก่อนเป็นแม่บ้านอะไรบางบานเนี้ยก็รู้สึกว่าสะดวกสบายในนี้ชาวเวียดนามหลายคนเข้ามาในประเทศไทยมารับจ้างตั้งท้อง คือเขาเอาไข่ไปไว้ในท้องคนชันก็คือเลี้ยงอคนไทยไม่อยากตั้งท้องเลยเนี่ยอยากแต่งงานอยากอยู่กับกามเฉยๆแต่ไม่อยากตั้งท้องแต่เอาไข่ไปฝากไว้กับคนนี้ผสมแล้วก็ไปไว้คนเนี้ยจนกระทั่งเขารับจ้างตั้งท้องแต่อาหารการกินในพวกนี้จะเลี้ยงให้เองจนทั้งโน่นแล้วมันคลอดคลอดแล้วเขาก็จ่ายโบนัสเต็มที่ แล้ให้กลับบ้านไปไม่ใช่ลูกเขาแต่ลูกสองคนเนี้ยี่ไงดูดิเดี๋ยวนี้มันมันมันไม่ใช่เรื่องอื่นแล้วมันเป็นเรื่องอะไรก็ไม่รู้นะจิตมันไม่ได้ผูกพันแบนั้นแบบนี้ล่ะแบบนี้มันก็คิดเยอะนะอาชีพแบบเนี้ยรับจ้างตั้งท้องเนี้ยก็ทุกนะทุกความคิดบางทีไม่อยากปล่อยให้เขาพาหนีบางทีเนี่ยก็คิดว่า ลูกคนรวยมาจ้างเราตั้งทองนี่ออกมาคงพันมันดีอ่ะเอาไปามาคนจ้างตั้งทองก็หนีก็เกิดปัญหาพวกนี้ก็ตามล่าเอาลูกกูขืนมาเห็นไหมมันวุ่นวายนะเลี้ยงปลาอย่างเงี้ยแล้วให้ไม่ปลาเอาไปเอา ม, ามันเ <c oughs> วลาเราขายนี่เรารู้สึกว่าเราสะเทือนใจนะ้วขายเนี่ยมันสะเทือนใจอืมนึกเขาจะไปฆ่าหรือเปล่าวะนี่อืม สงสารมัเนาะตัวนั้นตัวนี้อะไรประมาณเนี้ยหรือไม่แต่การค้าขายอย่างอื่นนะค้าขายพืชผักผลไม้อะไรประมาณเนี้มันก็ต้องมีการต่อรองอะชอบใจไม่ชอบใจขึ้นมาปัญหามันก็เกิดกับจิตเราวุ้ยขายได้ถูกขายได้แพงไป เ, เรื่มทันทีนะดังนั้นเราต้องเลือกเอาอาชีพถ้าคนทั้งโลกเนี่ยเลือกเอาอาชีพที่มันกระเทือนจิตน้อย เขาทุกบอกไงละชั่วสิ่งที่ชั่วเนะีย่ยจะไปทำ้อยจะไปเอาชีพแบบนั้นแต่ทำดีทาอาชีพที่มันดีๆหน่อยแต่ในขณะเดียวก็อย่าไปหยุดนะชาคริยานุโยคหรือสจิตประโยชนธรรนังกือไปทำจิตให้มันสะอาดซักฟอตไปด้วยให้จิตมันมีความเข้มแข็งขึ้นมาด้วยลำพังเพียงเราเลือกสัมมาอาชีพเนี่ยมันก็ดีแล้วนะไม่ใช่ไม่ดี มันก็ดีระดับหนึ่งเพียงแต่ว่าตัวรับก็ดีตัวกระทบก็ดีเราต้องพิจารณาทั้งสอ ง, งอันเขาตึงบอกว่าอัจฉาตาธรรมเพื่อหัประหิตธารมทำภายนอกก็ดีทำภายในก็ดีทั้งภายนอกภายในต้องจัดระบบระเบียบมันให้ดีให้ใ ห, หม่ให้มันสะอาดปองใสยอยู่เสมอทำให้มันได้ทำให้มันดีแต่คนทั่วไปก็ไม่ได้ใส่ใจปนนั้น ไอ้เรื่องข้างนอกก็ดูเออเอาอะไรนอทำมันพอดีเดี๋ยวนี้คนทำงานในตลาดหุ้นน่ะซื้อขายเรื่อหุ้นถามว่าดีไหมมันก็ดีแหละแต่ว่ามันหวั่นไหว ใ, หใจเนี่ยมันเต้นตุมต่มๆตามๆงาน ม, มันเสี่ยงสูงคือมันไปติดพันอยู่กับความได้ความเสียความไปผูกพันอยู่กับความได้ความเสียมันก็ทุกข์ดิใจเรา เรื่องทอะไรก็ได้มันอยู่แค่แค่วันวันหนึ่งไปอะแต่ถ้าเรามองไปในทางโลกนี่จะรู้สึกว่ามันกระเถิ่นเยอะพอสมควรนะการใช้ชีวิตทางโลกเนี่ยกว่าที่ใช้มาอยู่ง่ายๆนี่เราอยู่ทางในวัดในวาในศูนย์ในที่ปฏิบัติธรรมเราก็อยากเรื่องข้างนอกอ่ะน่าจะไปทํามันนั่นดีนะน่าจะทํานี้แล้วปฏิบัติธรรมไปด้วยพอมาคิดถึงประเด็นหอย่างนี้ตัวสัมมาเนี่ยมันยากผ่านนะแต่บางที่เราอยู่ในวัดเราก็อึดอัด เราก็อยากไปโน่นอยากไปนี่อยากนั่นอยากนี่แทนที่เออเรามาแบ่งกันดิเก็บอารมณ์อะไรประมาณนี้เอาคนนี้แบ่งกันทําความเพียรอา่าคนนี้ออกมาหาข้าวหาปลาคนนี้ทําความเพียรสิอา่าไม่ทีแบ่งกันมีเท่าไหร่มีสองมีสาเอากอ อ, ออกมาคนนึ่งอา่าคนนึงเก็บอารมณ์ไปคนที่ออกมานล้วก็จะไม่ได้คุยกับใครละคนที่อยู่ก็ทําความเพียรได้ตลอดเอาประสงค์ มีกี่รูปแบ่งกันทำความเพียรเลยประมาณนี้อาชีพเราก็คืออะไรอ่ะอาชีพอะไรก็ได้แต่เป็นภิกขุนังสีข้า่ า, าชิวสมาปนาคือเราทำหน้าที่ในแต่ละวันแต่ละวันนี่แหละแต่ว่ามุ่งเอาศีลเอาสมาธิเอาปัญญาเป็นแกนหลักในการดำรงชีวิต พัฒนาไปเรื่อยๆถ้าเป็นนี้เราก็เหมือนสร้างโอกาสเ ป, นนเป็นการสร้างโอกาสให้กับจิตเราให้เกิดการระลึกรู้เพื่อเอื้อเฟื้อต่อการรู้ตัวนีนมากขึ้นแต่จะให้มันมีความเข้มแข็งเนี่ยถ้าเราอยู่แบบสบายแบบไปหายอยู่ป่าคนเดียวแบบสบายๆเนี่ยมันก็ไม่ได้นะแต่ถ้าไปอยู่ป่า และเจอสภาวะอะไรขึ้นมาถ้าความรู้หรือการแก้ไขไม่พอไม่ทันเอาเพี้ยนไปอีกละอเนี้ยเออมันไม่มีอะไรมันอยู่ที่ตัวรู้นะแต่อยู่ที่ตัวรู้คนก็เป็นวิปัสสนูวิปัสสนาขันเยอะนะนะคือความคิดเพียนไปทนะี่จริงก็แค่ความรู้สึกตัวนั่นแหละนะทังนั้นยังไงก็ตามนะนะสติสัมปชัญญะไม่ใช่ว่ามันจะเกิดขึ้นลอยลอยมานะ แต่มันต้องมีฐานมันดีๆอย่างของเราเนี่ยเวลาปฏิบัติธรรมเราจึงตัดออกให้หมดไงขณะที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่มีเลยอาชีพสัมมาอาชีวะอะไรประมาณน้นไม่มีสัมม า, าทิฏฐิสัมมาสังกปะคือตัดทั้งหมดนะเราไม่คิดพยาบาทไม่คิดเบียดเบียนนะเอาตรงมีความเชื่อเชื่อในการออกบวชเชื่อในการไปรปฏิบัติธรรมเชื่อในครูบาอาจารย์เชื่ อ, ใ น, อ, อในสติสัมปชัญญะ เือในสภาวะธรรมว่ามันมีจริงแล้วเราก็ต่อสู้กับมั น, นเกี่ยวกิเลสพอต่อสู้มากๆสภาวะธรรมก็ปรากฏเกิดขึ้นตัวจิตเราคือสมาธิฏฐิเกิดง่ายๆสัมมาสังกัปปะคิดถูกเนี่ยสัมมาวาจาเขากบอกว่าอย่าพูดจะคุยกับใครนะดูพูดเท่าที่จําเป็นอันที่จําเป็นและรักษาจิตตัวเองได้นั่นแหละคือสัมมาสังกัปปะไอ้สัมมาวาจาทําการทํางานทําอะไรก็ได้นะทางานแรก ข้าวเลืกปลาข้าวปลาอาหารไม่ไหม้ไม่ได้มีความคิดเปลี่ยนนั้นถ้ามีความคิดเปลี่ยนนั้นก็จิตมันก็ไม่ปกติอีกละเขาไม่ได้ทําเพื่ออะไรทําเพื่อทำนะั่นแหละทําเพื่อทําทําเพื่อรู้เพื่อรู้ตัวรู้บรรยากาศเหตุการณ์ตรงไหนที่มันเอื้อเฟือ้อยั้ไเราก็อยู่อยู่ตรงนั้นนะเพื่อให้อันนี้เกิดนะที่มันก็จะมีอีกนะว่าเราจะมาติดอยู่ในรสชาติของอาหารการกินนี่ได้ทีเนี่ยอย่าว่าแต่สัมมา กรรมนตะเกิดแล้วมันจะไม่เปลินดิในรูปถ้าสะดวกสบายมรรติดอยู่ในรูปในรสในกลิ่นในเสียงอีกละในสัมผัสในอารมณ์โดยเฉพาะไอตัววิญญาณนะตัววิญญาณธาตุมี ญ, ญาณธาตวิญญาณขันเนี่ยอันนี้นี่แหละคนมันแพ้เพราะอันนี้แหละเนี่ยรูปก็พอเข้าใจเวทนาก็เข้าใจสัญญาสังขารวิญญาณ เหมือนเข้าใจแต่ตัววิญญาณขันวิญญาณธาตุเนนะ่เราไม่ทันมันนะคือมันมีความอยากนะอยากรู้นะไอ้ตัวอยากรู้นี่เราพาเราป่วงอยู่เดี่ยวปจิวันเนี่มันอยากรู้ไงอยากรู้อยากเห็นอยากไปอยากมาอยากนะแต่ก่อนมีรูปเนะอมรูปก็พอปรงได้เวทนา ก็พอลงได้พอวิทยานพอใจไม่พอใจสัญญาความจํากระทบผัสสะก็พบลงได้สังขารปรุงแต่งก็พอตัดได้แต่ตัววิญญาณเนี่ยวิญญาณขันนะไอ้ตัวที่มันอยากงอกเนี่ยมันอยากคิดเนี่ยตัวเนี้ยอยากรู้อยากรู้เรื่องอันนั้นอยากรู้เรื่องนี้มันเป็นเหมือนที่มันรอที่จะเกิดอยู่ตลอดเวลาเนี่ยพราะมันเกิดขึ้นมาเราก็คิดว่ามันถูกต้องบางที มันอยากรู้เรื่องนั้นอยากรู้เรื่องนี้ออย่างเราศูนย์ปฏิบัติธรรมสำนักปฏิบัติธรรมก็อยากรู้เรื่องสำนักนั้นเนี่ยนะอ่าอยากรู้เรื่องของคนนั้นเนี่ยเนี่ยไอความอยากรู้เนี่ยมันมันอยู่ข้างในสังเกตด้วยเลยเรานั่งคุยกันจุ้มหัวเข้าหากันเอาละที่เนี่ยอยากรู้คนนั้นคนนี้เอ้านี่ใส่ผู้หญิงมาอีกแล้วเนี่ยแล้วมันจะเกิดปัญญาเหรือเนี่ยสังน้อยก็โอ้ย จนป่านนี้กูกยังไม่รู้อะไรเนื้อเอาไม่เนี่ยตัววิญญาณเรามีอุปทานกับวิญญาณมันรู้ขึ้นมาเล ย, เ, ยเราไม่รู้พอมันน่าจะรู้มากกว่านี้นะน่าจะรู้เรื่องอันนั้นนะมันน่าจะได้อันนี้นะเนี่ยนะเข า, าให้แค่รู้สึกตัวให้มันสงบตัวรู้ให้มันสงบให้มันรู้ซื่อๆการงานก็ซื่อๆอะไรก็ให้มันซื ư, ่อๆซืๆ่อๆซื่อๆแล้วก็ดับไปไม่รู้อะไรแหละดีนะไม่รู้อะไรเนี่ย มันดีแล้วที่มันไม่รู้อะไรเนะี่ยอยาให้มันรู้เยอะรู้ตัวนี่ก็พอแล้วรู้ตัวตื่นตัวนะรู้สึกตัวรู้สึกใจตื่นใจจิตมันตื่นนะถ้ามันเป็นอย่างนี้เนี่ยมันจะเป็นฐานของการเกิดสัมมาสติฮู้ ม, มันไปไวมากแลวพวกเนี้ยเหมือนพรเทียนท่านสะสมมาตั้งแต่อายุสิบเอ็ดปีพยายามทำสมาธิไม่คิดโกรธคิด พอไปเห็นความโกรธที่โกรธภรรยานะ่ะอันเกิดแต่พูดคุยกันเรื่องบุญเรื่องอะไรประมาณเนี้ติดอารมณ์ทันดีแล้วก็เกิดความรังเกียจไอตัวโทสะที่โกรธนะเนี่ยเยอะเฮ้ยกูต้องเอาชนะมันให้ได้แหละถ้ากูไม่ชนะอันนี้ขายหน้ากูไม่กลับบ้านเนี่ย น, นะฉะนั้นความโกรธไม่ได้จะไม่กลับบ้านของเราไม่ได้นะ่ะโกรธตัวนี้กันห น, น, นีไปตัวนั้นไปตัวนั้นไม่พอจะห น, นีไปตัวนี้อะไรประมาณนี้ เราเล่นซ่อนหากันอยู่นี่นะคิดว่ามัจจุราชมันจะมองไม่เห็นตัวเหรอมันเห็นนะย่างบ่กว่าเราจะไปหลบอยู่ที่ไหนในถ้ำในเหี้วในป่าในเขาในครอบในครัวในร่างรูปของเศรษฐีมั่งมียาจกเขียนใจอะไรประมาณนะั้นมันไปไม่รอดนะมันตามนะมันตามจ้าที่เราไปเรื่อยๆๆๆๆนะนนเราต้องเห็นมันนะต้องเห็นมันให้ได้ สติสัมปชัญญะเราเนี่ยต้องระลึกรู้ดูมันให้เห็นให้ได้ว่าเออการที่มันอยู่เป็นกลางกลางเนี่ยเป็นโดยสร้างสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นสัมมาทิฏฐิในเบื้องต้นนะทีนี้การประคองที่มันอยู่ปัจจุบันแล้วเดินหน้าต่อไปเนี่ยวัฏยมัพย์เพียรชอบถ้ารู้ตัวได้ต่อเนื่อง ก็เป็นสติชอบและลึกชอบและลึกรู้อยู่ในนี้นะอยู่ในกายกับจิตเนี่ยเห็นมันจิตมันคิดกระดับไปเพียนเฝ้าอยู่อย่างเงี้ยเห็นเวทนาเกิดขึ้นกับกายนี่กระดับไปตั้งอยู่ดับไปจึงทั้งนู่นแล้วกายเป็นสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิก็คือมันรู้ซื่อตรงไม่ได้เพ่งไม่ได้จ้องไม่ได้อะไรเลยตั้งแต่สมาธิที่มีนิมิต ไม่มีนิมิตนี่แหละสมาธิที่ม่มีนิมิตก็คือมีการผูกไว้กับอิริยบท ผ, ยผูกไว้กับลมหายใจผูกไว้กับเนี่ยยังเป็นเหมือนกับบ่าเป็นรูปปชาจนจนทั้งนั้นแหละพัฒนาไปสู่ความเป็นไม่ต้องผูกไว้กับอะไรมันลอยตัวจิตรู้จิตนะจิตรู้จิตจิตรู้กายนะจิตรู้ธรรม ทำโยต้องมาทำมันปรากฏเกิดขึ้นอ้าวเห็นความสงบความเจริญขึ้นของสถติสัมปชัญญะของปัญญาเห็นแจ่มชัดโอ้มันเป็นแบบนี้น้อยอืมไปสู่ความผ่องใสภายในมันก็จะกลายเป็นสัมมาส ม, มาธิมันตั้งมัน่นตั้งมั่นมันก็เกิดความเห็นอะไรามความเป็นจริง เห็นตามความเป็นจริงทีแรกก็คือเห็นแล้วก็ปล่อยวางเห็นแล้วก็ปล่อยวางะทีนี้มันปล่อยได้วางได้มากเข้าเร็วเข้ามากเข้าเร็วเข้าเนี่ยคือการเพิ่มอํานาจของสัมมาสมาธิอืเพิ่มอํานาจของมันให้มากขึ้นตัวสัมมาสมาธินี่ให้มันเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นให้มันต่อเนื่องขึ้นมันก็จะเข้มแข็งขึ้นนะ่ะมันก็จะเจริญขึ้นมันก็จะผ่องใสขึ้น ในที่สุดมันก็ตั้งมันมันก็เห็นว่ามันไม่เกี่ยวกับอันนี้นะไม่เกี่ยวกับอันนี้นะอันนี้เข้ามาในใจเอ้อจมเดิมทีใจมันไม่ได้มีอันนี้นะมันเหมือนมะขามมันเริ่มสุกล้วเปลือกกับเนื้อมันคนละอันกัน่ะพอเปลือกพอมันสุกเนี่ยมันจะเริ่มแยกเขาจากันละน้ำกับน้ำมันมันคนละอันกันนะน้ำ กับน้ำแข็งน้ำแข็งเวลามันทําให้มันแข็งมันลอยตัวมันลอยอยู่ข้างเหนือบนนะน้ําอยู่ข้างล่างน้ำแข็งมันจะขึ้นนะก้อนใหญ่ขนาดไหนก็ตามทิ้งลงไปเนะี่ยมันที่น้ําแข็งมันลอยตัวเพราะอะไรปริมาตรมากน้อยกว่าหรือปริมาตรหนาเน่นน้อยกว่าหรือเบากว่าหรืออะไรเนะี <c> ่ย <oughs> ให้จำมาไว้ว่าเวลาเราเกิดปัญญาเนี่ยมันเกิดง่ายๆตอนที่เราต่อสู้กับอารมณ์อะไรที่มันหนักๆล่ะแล้วเราเอาชนะอะไรส่วเราง่วงอย่างเนี้ยต่อสู้กับความง่วงผ่านได้ในชั่วโมงวิกฤต์นั่นแหละเราจะดีใจปัญญามาันจะเกิดตรงนั้นแหละะไอ้นี่มันไม่ใช่มันเราไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยอย่างเงี้ยไม่มีปัญหาจะไม่กลัวแล้วความง่วงความเง้านิดๆหน่อยๆ น, ยนี่ไม่ได้กลัวนะแต่ว่า เรากลัวความห่วงที่หนัหนกๆเอาลองดูที่ทะลุผ่านปึ้งไปดิทีนี้ก็มีความคิดมีโทสะอย่างนี้นะอตัวโทสะตัวเนี้ยมาที่ไรลู้สึกว่าติดอารมณ์ทุกทีอะทําไงอ่ะก็ต้องมีสติระลึกรู้จนทั้งมันทะลุผ่านตัวนี้ไปให้ได้ตัวนั้นละมันจะเกิดปัญญาอืเอา้าเมื่อวันก่อนตื่นเช้าตื่นเช้ามาแล้วก็ไม่สู้มันนะตื่นเช้าเนี่ยมาแล้วก็ง่วงก็เหงาือวันนี้จะ ต, ตื่นเช้าดูดิเพื่อจะสู้มนะันอ่ะ ตื่นเช้ามาเอาสู้ได้สู้ได้สู้ได้ก็ ไ, ไม่ค่อยสู้เท่าไหร่วันนี้วันนั้นสู้ได้มันจะมีวันหนึ่งที่ทะลุเพราะไปได้นั่นแหละเขาวัดเอาปัญญาตรงนั้นอะเอากินอันเนีย้ยังตามใจมันอยู่ลองฝึกดูดิฝืนมันดิเมื่อเข้ามาเขาโอ้ทํำดูทุกมันกระแข่นั้นเองมันก็ไม่มีอะไรเนาะมันหยุดความอยากเป็นอนัตตาในอาหารอนัตตาในสิ่งที่ผ่านเข้ามาหรือไมาเนี่สังเกตดูดิเราไปวิ่งไปคุยกับใครคนนั้นคนนี้นะ ในจิตเรามันมีความแอบแฝงอยู่ข้างในอะ่ะมันมีความอยากอะไระคือมันอยากสร้างภาพตัวเองขึ้นมาจริงๆแล้วเนี่ยเราให้คำยกย่องสรรเสริญใครจริงๆนี่คืออยากสร้างภาพจิตเรานะเราพูดคุยกับใครอะไรยังไงเนี่ยลึกๆนะจิตมันไม่เป็นจิตของพรหมไม่ใช่จิตพรหมวิหารนะแต่เป็นจิตหลงลงสนุกสนานหลงเพลิดเพลิน หลงเข้าไปในความคิดหลงไปในอารมณ์หลงไปอยู่กับอดีตอนาคตอะไรประมาณเนี้ยขณะที่คุยไปคุยมาเอา้าตัววิญญาณขันมาทํางานอีกแล้วมันอยากรู้เรื่องอันนั้นอยากรู้เรื่องอันนี้จริงๆเราทําเพื่ออะไรทาเพื่อสนองความอยากรู้เราบางทีก็อยากให้เขามันอยากนะอยากให้เขารู้เราแหมอยากให้เขารู้เรารู้อะไร แล้วแต่มันจะอยากจิตเนี่ยนั้นถ้าเราไม่แยบคายไม่สังเกตพวกนี้ปัญหาเกิดขึ้นกับจิตเราไม่มีโอกาสได้เป็นสัมมาสมาธิสัมมาญ า, านสัมมามิมุติอะไรประมาณเนี่ยมันก็ไม่เกิดขึ้นตามลาดับสรุปก็คือตัวสัมมากรรมมันตะอาชีพเนี่ยมันเหมือนอะไรก็ได้อาชีพอะไรก็ได้ ขอแต่ให้เป็นอาชีพที่เลี้ยงใจตัวเองไว้อาชีพเนี่ยต้องเลี้ยงจิตตัวเองให้ประคองจิตตัวเองให้มันอยู่ปกติให้ได้บางทียมอยู่ทางบ้านรักษาใจได้ดีเนีย่ยมียมยมปฐุมมาเนี่ ย, ยแค่ทาความเพียรดีอย่างน้นว่าวันมนึ่งเคต้องรอรอจนทั้งคนชาวบ้านเสียงกระือกะทึกเมหลับก่อน เขาถึงจะได้ทําความเพียนถั้งนั้นก็นลบกวนตลอดเขาขยันบอกว่าเมื่อไรก็ตามนะนึกถึงโลนตาขึ้นมากําลังใจไม่รู้มนมาจากไหนเนี่ยเขบมันฮึดสู้ทันทีทาความเพียนทันทีก็ยังมีสองคนนะที่ทําความเพียนที่ที่พอที่จะรู้เรื่องเขาอยู่ปัจจุบันเนียนะโยมปอกโกโยมปทุมมาเนี่ยขยันคนเนี้ย ไม่ว่ากลางวันกลางคืนเลิกการเลิกงานแล้วทําความเพียนได้ดีวะ่ะเขาทำการงานเป็นไรเอาเป็นครูเป็นพยาบาลเนี่ยแต่ว่าได้ตัวรู้เรื่อยเรื่อยเรืยเรื่อยเรื่อยพัฒนาได้เรื่อยเรื่อยเรือแล้วดูแลพ่อด้วยกําลังจะตายอายุแก่แล้วแปดสิบเก้าสิบเข้าไปยังมีภาระอันเนี้ยก็ดูแลเอาใจใส่เขาเนาะ เาถามมาลุงตาบางทีก็หงุดยงิดหรือดัดนะทำไงอะ่ะมองเขาว่าเป็นพระมาสอบอารมณ์เราอะ่ะมองมองเป็นพระเหมือนเขาบอกว่าพระในบ้านนั่นแหละต้องทําใจแบบนั้นน่ะทุกอย่างนี่มองที่ใจเราอืมันมีความชอบมันไม่ชอบชอบไม่ชอบของโยมวัดด้วยกันขี้ด้วยเยี่ยวด้วยการล้างด้วยทําความสะอาดอะไรประมาณเนี้ยอ่าสรุปก็คือยอมรับใช้กรรมเก่าซะเมื่อก่อน เขาล้างให้เราตอนเราเด็กๆตอนนี้เราล้างให้เขาซึ่งช่วงล้างให้เขาคงไม่นานนะแต่เขาร้างให้เราเนี่ยหลายหลายปีหลายปีแล้วเขาล้างให้เราเรามาล้างให้เขาแต่จะคิดว่าไม่มีเขาไม่มีเราก็คือตามตามธรรมชาติไปก็คงไม่มีอะไรอ้าได้กำลังใจไปเอาไหม เอาใหม่มีความจําเป็นต้องอยู่ด้วยกันมีความจําเป็นต้องอยู่ด้วยกันก็อยู่ด้วยกันน่ะอยู่ไปอยู่ไปเขาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องออันนั้นอันนีนะ้เอาอยู่ได้อยู่ไปอ่ะทําไปอย่างเงี้ยทํำเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็ไม่มีอะไรที่ต้องรังเกียจรังงอนนะอแต่ถ้าอยู่ในเงื่อนไขแบบโลกๆยากลองดูดิ อืมางทีชีวิตเราเนี่ยตั้งใจปฏิบัติทำมาตั้งใจตั้งใจวันใหนก็ตั้งใจตั้งไม่ได้ง่วงกับง่วงพรอว่าวันหนึ่งวง่าให้กูจะสึกพรุ่งนี้ละวะเนี่ยพอจะสึกเอาเรื่องไม่ง่วงละทีเนี่ยเพราะมันมีอนาคตดักเอาไว้ไม่ค่อยง่วงไม่ค่อยเงาไม่ค่อยอะไรละทีเนี่ยเนี่ยฉะนั้นชีวิตเนี่ยถ้าหากเราปฏิบัติทำนะทำความเพียรจริงๆได้อารมณ์จริ ง, รรงสิ้น อความดับทุกเรื่องการเรื่องอะไรไปมันมันสบายนะแต่ถ้ามันดับไม่ได้เราก็ต้องไปรับใชม้มันเหมือนเะดิมต้องรับใชม้มันเหมือนเดิมมันก็ใส่หัวเราไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยอย่างนี้นนะถ้ามีการก็ต้องมีหาเงินหาทองข้าวของอะไรเข้ามาก็จะมากมายหลากหลายนะสรุปก็คือมันก็พ้นทุกไม่ได้คะก็อยู่ประมาณเนี้ไหลไปไหลมาไหลไปไหลมา เป็นธรรมธรรมชาติเขาเนี่ยแต่ส่วนมากคนก็คือเอ้าอยากได้ประมาณอะไรประมาณเท่านี้คือชีวิตที่เกิดมาเนี่ยเดินไปให้มันสุดซอยครับอกเดินไปสุดถนนถนนสายนี้อา้าวไม่เอาแล้ววางแต่ถ้าคนเข้าใจจริงๆมีแต่จะเดินหน้ามีแต่จะเดินหน้านะยิ่งมองโลกเขท่าไหร่ก็เป็นสมมติมากขึ้นมองโลกเท่าไหร่เป็นสมมุติมากขึ้น แต่ชีวิตเรามันไม่ใช่มันก็ติดลูกติดหลานติดสามีติดภรรยาติดสัมพัติมันผูกพันนะไม่ใช่มของง่ายนะเนี่ยติดครอบติดครัวเนี่ยว่าจะสละไม่ได้มันไม่ใช่หมูนีทั้งนั้นกิเลสมันไม่เอาคนล็อกอยู่จนจนโลกนี่จะเต็มแล้วเนี่ยคนมันเยอะเกิเลมันทํางานได้ดีไงคือความไม่รู้เนี่ยมันทํางานได้ดี บางทีก็รู้แต่รู้ไม่ลึกรู้ตื้นๆรู้พอไม่ยกเอากิเลสออกได้รู้เนี่ยยกเอากิเลสออกใจใจไม่ได้รู้อยู่มันเป็นทุกข์แต่เอาออกจากใจไม่ได้ <c oughs> มันต้องรู้จนถึาว่ามันเอาออกได้เป็นอนัตต า, ามันว่าโอ้ยรู้เป็นโรคเป็นโรคเออไปทำให้มันหายโรคถ้ารู้เป็นโรคอันนี้มันไม่รู้เนะี่ยมันหายคือหนึ่งหายจังกายสองหายท้งจิต วันนี้วันวันอาทิตย์นะวันอาทิตย์วันเนี้ยแล้วดูหนาวเนี่ยกลางตอนเช้าเนี่ยมันจะสายไอ้มันจะ็ดหกโมงเนี่ยมันยังไม่สว่างถ้าก่อลงตาไปวินธรบาส ท, ทั้งตีห้าสี่สิบห้าประมาณนะั้นแต่นี้ก็หกโมงมาหกโมงเอาต่อไปอยังหกโมงสิบห้าหกโมงอะไรไปอีกเรื่อ ย, ย ๆ, ๆ นันอย่างไรก็ตามนะเราทำความเห็นให้ตรงวันนี้เราพัฒนาตัวเองช่วยเหลือตัวเองในส่วนหนึ่งก็อยู่ช่วยเหลือศาะ ส, ะสนาคือการกระทำของในวัดเราเนี่ยไม่ใช่ช่วยเหลือตัวเองอย่างเดียวช่วยเหลือคนอื่นด้วย มันจึงมีกิจกรรมที่เอื้อเฟื้อต่อสังคมระ ด, ดับหนึ่งอย่างการพัฒนาบรรดว่าว่าถ้าเราไปอยู่ในดงในป่าในถ้าคนเดียวนะเฮ้ยไม่ต้องกวาดก็ได้อยู่คนเดียวในถ้นะถ้าใบไม้มันรกตรงนี้ก็ย้ายไปตรงนูน้นย้ายไปเรื่อยๆนะตรงนั้นบ้างย้ายไปตรงนี้บ้าง อามันเบื่อตัวนี้ใหญ่ไปตัวโน้นตนัว น, นี้แต่ของเราเออพัฒนาขึ้นหน่อยพัฒนาเพื่ออะไรเพื่อให้โอกาสกับคนอื่นนะให้โอกาสกคนอื่นพวกเราปฏิบัติไปในขณะเดียวกันกเออพอพัฒนาอะไรก็พัฒนาเพื่อสร้างโอกาสให้กับคนอื่นมันอาจจะมีประโยชน์กับคนได้หลายที่นะศา ส, สนานี้อาจจะไม่ใช่ว่าจะเจริญเพราะเราคนเดียวแต่ว่าก็เกิดเจริญจากฝีมือของพวกเราทั้งหลาย ไม่แน่บางทีเมืเราตายหมดในนี้แล้วก็มีอีกคนหนึ่งที่เขามาปฏิบัติรรมมีโอกาสได้รู้ทำเพียรรมเขาอาจจะเป็นคนตัวจุดปะกายให้เกิดความเข้าใจอันนี้ก็ได้เหมือนเราเนีะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้มาเป็นผลผลิตผลพวงของกานมีศาสนาพุทธของพระโสณนะพระอุตระเข้ามาในประเทศไทยเข้ามาทางนาคปรปฐม แล้วมาสร้างพระปถมเจดีย์หมดประเทศไทยนี่ก็อนันแหและใหญ่นะลองลองมากระหมาเจดีย์ของหลวงปู่ศรีนี่นะหลวงปู่ศรีร้อยเอ็ดนะนะใหญ่โตอะไระมานะ้อนนต์มีไม่มีลวดลายปถมเจดีย์แต่นี่มีลวดลายนะเข้าไปข้างในสวยงามสร้างด้วยเลิ้นเต็มไปหมดนะทีนี้พอเข้ามาในนั้น ก็มาเผยแพร่สร้างประประสมเจดีเกิดความเชื่อเรื่องการเรื่องพยากรพยาพานนะเนี่ยพยากรพยาพานพยาพานเป็นลูกพยากรเป็นพ่ออา้าวลูกหลงได้ฆ่าพ่อนะมันพ่านอา้าวเป็นคําสอนของท่านที่เผยแพร่สารโอ้บาปหนักเลยเด้อนี่ ตกนโลกแบบนั้นแบบ น, นี้เป็นไม่าจะจะสร้างเจดีย์มหาเจดีย์ขึ้นชั่วนกเขาเหินจึงจะช่วยลดพ่อนหนักให้เป็นเบาอะไรประมาณนี้แต่ก่อนที่นนท์งคงมีคนเยอะนะชุมชนใหญ่ถึงขนอิดขนอะไรมาสร้างได้ใหญ่โตโมโหลานแล้วก็ไม่มีโครงสร้างเหล็กเลยนะเดี๋ยวนี้เราใส่เหล็กแล้วยังปูยังพังแต่ก่อนเขาไม่มีนะเจดีย์เนี่ยไม่มีผูกไม่มีพังไม่มีสายลอดฟ้าด้วยซ้ำไปแต่ก่อนนะ ก็ไม่เห็นมีอะไรเนะยอยู่ไม่ได้เป็นพันๆปีเนี่ยมาคิดดูดินั้นศาสนาพุทธก็จเจริญจากนั้นมานหน่อยๆที่แรกก็เข้ามาตรงนั้นก็เริ่มปักหลักเริ่มมีหลักฐานทำมาเนี่ย น, นี้คือทํำทำความเชื่อนะของพุทธธรรมแต่ถ้ามาทางเหนือทางเราเนี่ยมันไม่ค่อยมั่นใจอ่ะเพราะมันอะไรเป็นประสาทขอมะเป็นความเชื่อของขอมของพวกโบราณพวกพราหมณ์แต่ถ้านนเอาอยู่ ขึ้นมาได้นะทางนครศรีธรรมราชก็มีเจดีมีนั่นมีนี่ขึ้นม า, าพระปฐมเจดีก็มีเจดีเหมือนเป็นของพุทธจริงๆเนีลยพุทธหินนิยานสองคนท่านส่งเข้ามาตั้งแต่สมัยพระเจ้าอาโศกนะส่งสมรรถธุลไปก้าสายพระทิดไทแล้วก็ส่งเข้ามากได้พงษ์วงเอาสององค์เองน่ะสององค์ก็ทำให้ศาสนานมันจเจริญเต็มบ้านเต็มเมืองยนุนบานเนี่ย วัดเราก็เหมือนกันเราทําไปในอาจจะเป็นที่สําหรับผลิตผู้รู้ถ้าเราใจแคบเฮ้ยนะให้ทําเพื่อเราอยู่ประมาณเนี้ยก็ไม่ได้คิดว่าเออมั่นใจหลือว่าศาสนานี้จะเจริญเพราะเราะสัจธรรมนี้จะเจริญเพราะเราเนีนะบางทีพราะเราเององค์ใดองค์หนึ่งบรรลุอลหรหันต์บางทีมันไม่ได้เจริญนะมันเจริญเฉพาะตัวเป็นพระปฏิจัย ก, ก็มีนะแต่ในขณะเดียกัน ไม่ได้หมายว่าพวกเราจะไม่พัฒนาเอา้าเราก็พัฒนาไปพัฒนาทางด้านความรู้พัฒนาทางด้านเอสติสัมปชัญญะพัฒนาทางด้านอารมณ์ก็พยายามอ่านตัวเองอยู่อย่างสม่ำเสมอนะให้เห็นถึงความทุกข์ที่มันปรากฏเกิดขึ้นคนไหนอยากไวก็ทําให้มันต่อเนื่องเอา้ายืนเดินนั่งนอนในประมาณนะี้ประคองเอาให้มันต่อเนื่องทั้งโลกมีทำทั้งโลกทัทง้ทงทำมี ทำทั้งทำอา้าวไม่มีโลกไม่มีธรรมให้มันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทำได้เรื่อยๆทีนี่พัฒนาเรี่ยตัวรู้ก็อยู่ได้เรื่อ ย, ตกกอ ย, อยๆตะครองไปได้เรื่อยๆเรื่อยๆสักวันหนึ่งอา้าวถึงตอนปีกวิเวกแล้ข อ, อยุ่หลบ ม, มุมสงบแล้วทําความเพียนหนักขึ้นไอ้ที่หนักขึ้นเขาเรียก ว, ว่าเร่งความเพี่ยนนะเราเร่งทําความเพี่ยนเร่งมากๆเร่งทํามากๆเร่งทาก็คือกําหนดรู้ให้ต่อเนื่อง แน่นอนนะว่ามันต้องไปเจออารมณ์อะไรที่ติดขัดละ่ะมันเหมือนขับรถเนี่ยขับขับขับขับไปรู้สึกว่าขับดีจังอนะตอนเนี้ยแต่พอไปเจอปัญหาเอ้ยติดอารมณ์เลยล่ะติดโลหะละ่ะติดโทสะติดลาขะติดงุดหงิดน่ะนี่เนี่ยอืมคือดัดขัดเครืองอ่ะเมื่อปู่สังเนี่ยเวลาปฏิบัติไปปฏิบัติไปทีไรก็จะไปติดอารมณ์ที่ว่าไม่ลวงตา ให้ตัวหนาคนในสาละเห็ุให้กูขายหนาบุญาสิบเอวลเลยไ่กินเขาดังก็ได้ซ้ำนั่นก็ได้เนี่ยพอมันติดตอนนี้ท่านก็ออกไม่ได้นะเวลาปฏิบัติอะไรท่านมาถึงตอนนี้ท่านก็เฮ้ยบอยากไปหรอกเว้ยให้กันแม่นี่มันก็จะขึ้นมามันก็จะติดอารมณ์ตอนนี้คือไม่สามารถทะลุอันนี้ออกไปได้สักทีอ่ะคือความเพียรไม่ถึงจิตก็จะติดอยู่ในเนี่ยตลอดเวลา นะพอทําอะไรปุ๊บขึ้นมาเนี้ยมันจะคือนึกถึงภาพวปนี้ขึ้นมาทันทีเพราะสติมันสู้อันนี้ไม่ได้มันทะลุอันนี้ไม่ได้คือมันทําให้กลายเป็นศูนย์ไม่เป็นนะมันก็จะไม่มีว่าเออท่านสอนนะท่านบอกนะเนี่ยมันไม่เป็นนะอเอ้เฮ้ยท่านบอกกูหลายครั้งแล้วะเนี่ยกูทําไม่ได้เออเขาต้องบอกแรงถึงออกได้เหมือนเราดันคนออกจากหล่มเนี่ยแหละถ้าดันเบาๆนี่มันจะออกเลย มองด้วยสายตานะไม่ได้มันอะไระต้องออกแรงต้องพูดพอพูดต้องผลักดันต้องช่วยเหลือต้องเออโอออกได้คือถ้าตัวตนเราไม่หนักปุ๊บเราดันปุ๊บมันจะหลุดพวออกไปได้เลยแต่ถ้าเราเพิ่มน้ําหนักตัวตนไม่ออกนะกูก็ว่ากูเลยเนี่กูก็เฮ็ดถือกิโเป็นอย่างขึ้นไปไหนมันก็ไม่ออกแร้วมันก็หนักเพิ่มขึ้นแล้วไปใส่น้ําหนักมันจะไปใส่ มันเบาขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อย ๆ, อยๆถ้าเป็นนี้อ่ะได้ถ้าไม่เป็นมันก็ไม่ได้แล้วเขาติอะไรเมธแต่ว่าอย่ามาติโกมึงก็เหมือนกันนั่นแหละอยู่ประมาณนี้ไม่ได้สักทีไปไม่ได้อะเ น, นี่ยแต่เรามองว่าเขาติเราใน ด, ด้วยเมตตาทําไหมหรือเขาพูดให้เราเจ็บใจหรือเราเจ็บใจบ้าเจ็บใจเองอ่ะ น, น, นันก็ต้องมองะก็มองก็มามาข้างในยังจะได้อันนี้ รับแล้วรับแล้วคือผูบายุทธ์เนี่ยรนะับอยู่พอประเมันคือสิริรับคักรับเน่ยผูบามเหมือนอะ น, นี่คือพวออกพวกกันพวกหงมื่อตนะิีนะเจตุใดจึงสี่งหงมือคนนะนะข้นโลตาทิไมไปในวัดถมันจะพ่ดรับเตะเอาขั้นเอาไปนําไปนั่งเฝ้เอาออกก็รับยุ่งอ้ยมันก็นักเนาะคือมันก็ต้องรู้ตัวนะไอพวกเนี้ยต้องเข้มแข็งแต่ขั้นโรตาบอกกันสิกะ เออวกับรับธรรมศาสตร์เนาะให้งุดเนืติดอารมณ์กูเป็นดีสิตได้ไหมอนี่โอมกับอะไรถ้ามันติดอารมณ์นี่ก็ยากนะหลวงพูดสั่งโบยูวัดเท้าเพิ่นใหญ่ไปเลยก็มีผููมาซิ่งแซมอยู่หลวงปูนี่นี่ก็ได้ได้แซมหลายองค์อยู่อว่าอันกูบ่าอ่อนเฮ้ยโคดว่าแซมหลายนะกูเลยว่าอยากได้แซมเมื่อไงวะคือได้ข้องตําแหน่งโยบดรอไปอืม เพ่อนสละตาแหน่งให้นึกว่าว่าเอาไปเนี่นห้วยบัดนี้หลวงปู่เ พ, พิ่นไปอยู่พุนเพิ่นกลับมาบัดนี้อาจจเป็นนิ่งได้บัดนี้อาจเป็นกะได้เพิ่นอาจจะเะาอาบท่านเห็นริดเดนเดตเพิ่นเศร้าง่วงแล้วก็ไปจักละบางทีเข็มแข็งห่ะที่เป็ น, อ น, ป น, นบนอกให้เลยเนาะลื้อคือคือเกาบอกห้วยคือเกาเนี่ย <laughs> <laughs> พอนว่าคือเก่าพอนก็บม่ได้งุนยิดเนี่ยมันก็ธรรมดาโยงไสได้ยุ่งนะจิตใจก็นนอะไรวะคือจิตมันยอมรับมันก็คือยอมรับ่นะมันบอนนี่แหละคนที่ไม่ทุกข์กับสิ่งที่เป็นก็คือยอมรับเป็นนี่แหละคันยอมรับว่าเป็นเขาเตือนเขาบอกเข า, เขาไปงุนยิดน้าเขาอันนี้แหละคือปัญหาละ่ะสมมติหมาตัวนั่นนะมันว่าจะกัดกับเขามันก็เห็นอ่อนๆลงนะจีน่ะมันก็เขาก็บอกัดนีด่นะอ๋อ มัคือเกาได้ผมมาเอาโอ้ใคเฝ้าเบิ้งเจ้าเนี่ยเอาได้บ่เนี้ยค่ะสมบูรณ์ลับร่องผมมานี่ยไม่นิ้วก็แล้วกันละเอาไปมาเห็นห่้เมื่อนั่งอะไรเห็นมันสิอกึ่มกัดกันได้บ่เนี่ยเขาก็สิจอบเบื้งตัวเอาะคือเขาแหะครับเขาโอคือเขาขับเบื้องและเแสดงว่าคือเขาสมบัยเนาเนี่ยมันหูจักเนาะเราก็เหมือนกันไปอยู่ใครเนี่ยแพ้เป็นพระชนะเป็นมารเนี่ยแต่ในขณะเดียกันถ้าเรารู้เราแพ้เราแพ้อยู่เนี่ยเราก็พัฒนาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆ โยังประธานใครเด้อซอยผมในเด้อเบิงในด้เนี่ยเบิงหลูกเบิงหลานในเด้อจีมันก็พัฒนาไม่ได้ถ้าเรามีแต่ตัวแต่ตนอย่างอ้ยมันก็ไม่วางไม่ปล่อยแล้วทุกอย่างทำให้มันกลายเป็นศูนย์ให้ได้อย่าให้มันเป็นตัวเป็นต้นอย่าให้มันทะเลาะเบาแวงกันอยู่ได้กันคนเยอะๆเนี่ยอย่าให้เป็นเหมือนทางโลกเขา เราอนนี้ต่างคนต่างมาเล่นดนตรีชีวิตอันเนี้ยให้สนุกสนานตีกันปันน้ำไว้ที่หมอลำซิ่งอยู่เพราะพนันซั่งอีนั่นมักบักนี่อยู่พุ่นนี่เบื่อนายพุ่นั้นพุ่นี่อยู่โอ้ยตายพุ่นนี่หละเฮ็ดเอยียงกันเล่นไปตามจังหวะพระธรรมเออจิตเนี้เต้นตามจังหวะจังหวะไหนจังหวะทุกครั้งจังหวะอันนี้จังจังหวะอนาตานบทเพลงพร ะ, ะหรหัต ปรากฏคือในจิตเราเต้นยองย่องอนัตตาเต็นยองย่อยเป็นอนี้จังมันก็นได้ตัวนะเปิดเพื่ออะไรเป็นทุกขังเอยจีฮโยจังอันนี้สรงทุกข์ส น, นั้นเฮ้วเฮ้าเฮ้เฮ้าอยู่ลัวได้แล้วต้องเป็นคนละแบบถ้าเป็นอย่างนี้ทุกอย่างเป็นสัมมาหมดเลยพอสัมมาพุ่งตรงเข้าไปปักตรงอกนะหอกโมกขศัลุพลักไม่มีหลุดไปเลย มันไม่มีหอกโมกขศักโมกฮะแปลว่าหมอกหอกแห่งความหลุดพ้นนะปักใจเข้ามาอยู่ในใจแล้วสบายนะไม่หลุดแล้วเมื่อก่อนยากนะอันนี้ง่ายหลุดออกไปได้นะพรลักษณดีนะ่ะพรลักษ์พลักเมื่อ น, นั้นวงพรลักษสุริยวงศ์ยังไม่ปรงชีวังสังขารหมู่ขศักดสุรา ทรงมาประสิทธิ์ประสัดไว้ทรงอนุภาพฤทธิ์ที่รุดต้องใครจะฉุดนั้นไม่ไหวแต่มียาคู่หอกใช้ให้ไว้สำหรับแก้กันแม้นว่าได้บทฉลอมลงองค์พระอนุชาไม่อาสัญจะดำรงคงชีพชีวันหอกนั้นก็จะหลุดขึ้นมาสมัยท่องพอสามมั้งอันเนี้เขาจำได้นิดๆหน่อยๆบทอาขยานเขาเรียกอาขยานอนนี้ก็เหมือนกันแหละเนี่ยถ้ามี มีรักเนี่ยหอกโมกศักย์จื๊อใส่ทันทีนะ่ะะมาจากไหนตัวโทสะหอกนี่มาจากไหนนะหอกมาจากโมกศัก์เนี่ยหอกมาจากกุมภกันหรืออะไรหอกโทษกันเหรอหอกเพงมาจากยักษ์ยักษ์คือโทสะเมื่อใดมีรักที่นั่นมีทุกหนึ่งไงกันเดียวกันเนะมื่อใดมีรักเมื่อนที่นั่นมีทุกที่ได้มีทุกที่นั้นก็มีโศกเนี่ยมันมาทันทีนะ อืถ้าทิ้งความรักทุกโศกไม่มีเนี่ยพลามไม่ใช่พลักษไม่มีพรลักษไม่มีมันมีไม่มีก็ต้องมีแต่มีแต่ทุกข์กับพลักษมณนแหละคนไหนมีรักคนนั้นมีทุกข์อะไรประมาณนั้นต้องอืมไม่เป็นนะทศกันก็ไม่ได้โทสะทศกันนียก็ทศโทสะไอ้ตัวเนี้ยยา่า ก็พอทําใจได้นะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่พูดมาเนี่ยเราเปรียบเทียบตรงนั้นตรงนี้กลับมาก็มาหาเรื่องของใจเราเหมือนเดิมเอาทุกอย่างเขาพูดเรื่องไหนเรื่องไหนก็อุปมาอุปไ ม, ม่วกกรรมาสู่ใจเรานี่แหละนั้นก็ขอให้อยู่ในอิริบทที่เอื้อต่อการระลึกรู้แล้วก็ทําให้มันต่อเนื่องส่วนหน้าที่ข้างนอกก็คือหน้าที่ข้างนอกอะลงใตาไปเดินไป นี่ปะเห็นแม่ชีนะอืม้าวทางานทําการเส ร, ร็จปุ๊บกลางวันมามาเดินจ้งกลมในสวนไผ่เออ่ะเดินไปถนนเห็นแม่ชีมวยเออขยันเดินจังอะ่ะทําความเปลี่ยนเนี่ยเอา้าตั้งใจนะขยันทําอืมคนไหนขยันเนี่ยคนนั้นทุกน้อยอะ่ะมันเนี่ยคนไหนไม่ขยันมันก็ทุกมากความทุกมันก็เยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้ น, ะนสะสม ต้องขยันนะไม่ใช่ขยันพูดขยันคิดขยันจ้องจับผิดไม่ใช่ะต้องขยันสังเกต ด, ดูทุกแล้วเอาทุกออกจากใจถ้าไม่ทุกออกจากใจก็คือพยายามเอาตัวรู้เนี่ยขยันรู้รู้รู้รูููู้้เรื่ อ, อเเยเข้าเรื่อยเข้ามาเข้ามาเข้าเดี๋ยวมันก็เหมือนกับการชำระล้างใจแหละเหมือนสกอนนะกดใบเนี่ยแหละถูไปถูมานดี๋ก็ออกแลแ้วก็ผ่องใสขึ้นในเรื่<น>อยๆอย่าไปกลัวนะอย่าไปกลัวทุกข์มันมันจะทําให้เราทุกข์เพราะมันเป็นอนัตตา เอากลับพระพร้อมกัน